งงก็เหมือนกับว่าอะไรนะมันมียาแบบมันมันมีตู้ยาอยู่ตู้หนึ่งใช่ไหมมันมีหลายกระปุกมากเหมือนกันโดยสีโดยสันฐานอะไรเหมือนกันหมดเลยแต่มันมีอัหนึ่งยาพิษกินแล้วตาย ท, าทันทีอันนี้ตายผ่อนส่งอันนี้กินแล้วปวดเรื่อยๆอันนี้เป็นยารักษาโรควางคละเค ล, ะล้ากันไปหมดทำไงอ่านให้สํารวจให้ดีๆใช่ไหมต้องตรวจอย่างละเอียดชั้นใดในยุค ป, ปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันทั้งคําสอนที่ปฏิรูปและไม่ปฏิรูป ทั้งบิดเบือนและไม่บิดเบือนเป็นต้นเนี่ยนะในยุคปัจจุบันเนี่ยเหมือนกับผิดกับถูกเนี่ยมันเยอะมากไม่เหมือนกับยุคแรกๆยุคสมัยพุทธกาลยุคนี้ก็เลยต้องหมั่นใส่ใจเนี่ยนะจะต้องหมั่นใส่ใจว่าเป็นไปตามคำสอนอยู่หรือเพราะฉะนั้นต้องใส่ใจว่าถ้าจะตรัสรู้ก็ขอตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าเนี่ยนะตรัสรู้รู้ยิ่งซึ่งทำใดเราก็ขอให้ได้รู้ยิ่งตามซึ่งทำเหล่านั้นด้วยเธอ พระพุทธเจ้ากำหนดรอบรู้ทำใดแล้วพ้นจากทุกข์ขอให้เราได้กำหนดรู้ตามทำเหล่านั้นเถอะนะพระพุทธเจ้าเหล่านั้นละสิ่งใดขอให้เราได้ละสิ่งเหล่านั้นด้วยเถอะพระพุทธเจ้าทำให้แจ้งทำเหล่าใดขอให้เราได้ทำให้แจ้งธรรมะเหล่านั้นเถอะพระพุทธเจ้าเจริญทำใดก็ขอให้เราได้เจริญทำนั้นด้วยเถอะ เพราะอะไรเพราะข้อปฏิบัติที่ทําให้ข้ามพ้นจากทุกข์เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าอาดีตอนาคตหรือปัจจุบันล้วนแต่ปฏิบัติเหมือนกันปฏิบัติเหมือนกันคือละสิ่งที่ควรละทําให้แจ้งสิ่งที่ควรทําให้แจ้งเจริญสิ่งที่ควรเจริญรอบรู้ในสิ่งที่ควรรอบรู้คำว่าการมีตามมองเห็นท้องฟ้าเนี่ยมันเห็นเหมือนกันแต่สายตาแต่ละคนอาจจะสั้นจะยาวไม่เท่ากันแต่ถามว่าเห็นต้องเห็นเหมือนกันไหม มันต้องเห็นเหมือนกันฉันใดผู้ที่จะปฏิบัติแล้วบรรลุมรรคผลสิ่งนั้นจะต้องเป็นอันเดียวกันท่านพรองค์บอกตรัสว่าผู้ที่เป็นพระอริยาสาวกเมื่อเห็นสิ่งเดียวกันท่านจะไม่เคยเถียงกันเลยพระอริยาสาวกทั้งหลายจะไม่มีการถกเถียงกันในเรื่องการกำหนดรอบรู้กองทุกถกเถียงกันในเรื่องการละสมุทยัยถกเถียงกันเรื่องการทาพระนิพพานให้แจ้งถกเถียงกันใน การเจริญโพธิปักยญธรรมจะไม่มีการถกเถียงกันเพราะสิ่งนั้นคือสิ่งเดียวกันเนี่ยนะเข้ากันได้เขาเรียกว่าคุณสมบัติของพระญาสาวกที่ใช้คำว่าสงสาวกสงตัวนั้นแปลว่าหมู่คณะผู้เสมอกันด้วยศีลและทิฏฐิเสมอกันด้วยศีลท่านมีศีลพฤติกรรมเหมือนกันโดยคุณสมบัตินะทางใจเนี่ยเหมือนกันแต่ว่าร่างกายอาจจะสวมเช่นว่า ศีลของพระโสดาบันเนี่ยนะโดยคุณสมบัติความเป็นพระโสดาบันเหมือนกันแต่คนนั้นจะเป็นคารวาหรือเป็นพระภิกษุอีกเรื่องหนึ่งแต่คุณค่าคุณธรรมภายในศีลอันนั้นเหมือนกันทิฏฐิคือการเห็นอริยสัจเห็นเหมือนกันแต่ดํารงอยู่ในเพศและภาวะที่แตกต่างกันเปรียบเหมือนว่าคนที่ทานอาหารที่อร่อยแล้วก็อิ่มคนนั้นจะแต่งตัวแบบไหนถ้าทานอาหารเดียวกันแล้วก็รู้สึกอิ่มเท่ากันเนี่ย อิ่มเหมือนกันหมดจะมีความแตกต่างกันบ้างไหมไม่ต่างกันเขาจะเป็นใครก็ช่างเถอะขอให้ได้ทานในสิ่งที่เดียวกันอิ่มเหมือนกันก็จะรู้สึกเหมือนกันฉันใดผู้ที่มีศีลเสมอกันมีทิฏฐิเสมอกันก็ฉันนั้นเหมือนกันเพราะนั้นเราจะต้องพยายามเอาตำแหน่งคือพระพุทธคุณเนี่ยมาตั้งเอาไว้แล้วใจของเราเป็นไปตามพุทธคุณอยู่ไหมแล้วก็ใจของเราที่มีศรัทธาอันนี้เนี่ย ศรัทธาหรือใจของเราเนี่ยน้อมไปเพื่อการรู้ยิ่งเพื่อการตรัสรู้เพื่อรู้ตามที่พระพุทธเจ้าบอกสอนอยู่หรือไม่จะต้องคิดไว้สาจุดด้วยกันหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธเจ้าทำที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วพระพุทธเจ้าบอกอะไรเราสิ่งที่พระองค์บอกเราเนี่ยเพื่อการตรัสรู้ตามที่พระองค์บอ ก, รบอกหรือไม่เนี่ยก็ต้องคิดอย่างนี้หมุนเวียนพระพุทธเจ้า น, น, นพระพุทธเจ้า ถ้าทำที่พระองค์ตรัสรู้ปฏิบัติเราปฏิบัติตามคําสอนเพื่อการตรัสรู้ตามหรือไม่ก็คิดจนกว่าจะพัฒนาคุณภาพของเราเนี่ยให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นได้เป็นพุทธสาวกเนี่ยนะผู้ที่เป็นบุตรผู้รับอริยสัพย์รับมรดกของพระพุทธเจ้ามั้นทัศนคติอันนี้จึงเป็นทัศนคติเบื้องต้นเป็นความเห็นเบื้องต้นที่จะเป็นไปเพื่อความเป็นพระโสดาบันเนี่ยนะ เพราะอะไรเพราะพระโสดาบันท่านคบสัตบุรุษคือพระพุทธเจ้าท่านรู้คุณของพระพุทธเจ้าท่านได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านคิดและปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าจนได้ตรัสรู้ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ท่านจึงมีศรัทธามั่นคงในพระพุทธเจ้าดังที่พระองค์บอกว่าธาตุดินเปลี่ยนแปลงได้แต่ศรัทธาของพระอริยสาวกที่มีต่อพระธรรมตรัยไม่เปลี่ยนแปลง น้ำเปลี่ยนแปลงไฟเปลี่ยนแปลงลมเปลี่ยนแปลงแต่ศรัทธาของพอระ arya สาวกไม่เปลี่ยนแปลงแปลว่าอะไรแปลว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืด ม, ม้ามปอดลำไส้สายรัดไส้อาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองในกระโหลกศีรษะเนี่ยนะทุกอย่างเหล่านี้มันเปลี่ยนได้แต่ใจของท่านไม่เปลี่ยนจากพระพุทธคุณธาตุน้ําในร่างกายน้ําเลือดนะอะไรนะ น้ำดีน้ำเลือดน้ำน้องน้ำเสลดน้ำมันขน้นน้ำไข่ขอน้ำมูกปัสสาวะเป็นต้นเนี่ยธาตุน้ําในร่างกายเหล่านี้มันจะเปลี่ยนแปลงก็ช่างแต่ใจของท่านไม่เคยเปลี่ยนจากพระรัตนตรัยธาตุไฟเนี่ยนะอากาศมันจะร้อนจะเย็นอุณหภูมิเท่าใดในกายท่านมันจะเปลี่ยนขนาดไหนกันะเย็นจะเยือกหรือว่าร้อนระอุใจของท่านก็ไม่เปลี่ยนจากพระรัตนตรัยธาตุลมนะ ลมมันจะเชื่อเฉือนใจของท่านเป็นเช่นใดแต่ใจของท่านก็ไม่เคยเปลี่ยนจากพระรัตนตรยัยลมในร่างกายจะเป็นยังไงก็ช่างเถอะอย่างยกตัวอย่างพระ้าหัน ร, รูปหนึ่งเนี่ยนะความที่ใจท่านมั่นคงเนี่ยตอนความในการปฏิบัติเพื่อตรัสรู้ตามเนี่ยนะลมเนี่ยมันท้องท้องท่านอืดมากะนะไม่ทราบว่าวเป็นโรคอะไรไม่ทราบเรียกว่าอาหิเรียกว่าอาหิว่อาอหิ อาหิบแล้วว่างูใช่ไหมลมประดุดศาสตราหรือประดุดงูเนี่ยมันเหมือนกับว่าวิ่งไปตัดขั้วหัวใจเนี่ยนะจนถึงบางองค์เนี่ยไสทลักออกมาเลยคือเนื่องจากว่าลำไส้มันเคลื่อนมันเคลื่อนบ่อยๆ่อบ่อย บ, อย บ, อยบอยมันก็ครูดผนังหน้าท้องเนี่ยนะครูดผนังหน้าท้องมันก็บางบางตอนหลังมันบิดเต็มตัวเต็มที่มันก็พุ่งออกมาลำไส้แตกไส้ทลักออกมาไส้ทลักออกมาในระหว่างไส้ทลักเนี่ยนะท่านพิจารณาอริยสัจตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้า ผู้ที่เป็นเช่นนี้ก็มีมีรูปหนึ่งเนี่ยนะไฟไม่ลำตัวเนี่ยเนะจริญวิปัสนาจนได้เป็นพระอนาคามีก็มีบางพวกเนี่ยเอาหินทุบก็ทุบกระดูกตัวเองเนี่ยนะจนหักศรัทธาของท่านก็ยังมั่นคงกับพระัตนะไตรศรัทธาของท่านก็ยังมั่นคงในพระัตนะไตรท่านก็ยังเจริญในาศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้ประกาศถึงว่าดินน้ำไฟลมจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปเถอะ แต่ศรัทธาของพระเริยเจ้าไม่เคยเปลี่ยนไปจากพระรัตนตรยัยนี่เราเองเนี่ยพร้อมที่จะเป็นอย่างนั้นไหมถ้าพร้อมที่จะเป็นอย่างนั้นก็แสดงว่าสมัครตัวยื่นใบสมัครเพื่อความเป็นพระโสดาบันเห็นไหมสมัครความเป็นพระโสดาบันให้แก่ใจตัวเองก็แปลอีกในหนึ่งเขาบอกว่าสมัครตัวเพื่อข้ามพ้นจากนรกเนีย่ยนะเขาบกว่ายื่นใบสมัครขอพ้นจากนรกเพราะศรัทธาเนี่แหละมันทําให้ข้ามพ้นจากนรกเนี่ยนะ สมัครศรัทธาตัวนี้เจริญศรัทธาตัวนี้เพื่อข้ามพ้นจากเปรตอสุรกายและเดรัชานหลายคนอาจจะนั่งฟังอยู่ตรงนี้หรือฟังที่อื่นเนี่ยนะอาจจะไม่ค่อยสะเทือนใจเท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าอยู่ในป่าอยู่ในที่เงียบๆพื้นที่รัศมีเนี่ยอยู่เป็นร้อยกิรารังหรือเป็นพันไร่เนี่ยมีคนอยู่สองสามคนเนี่ยที่เหลือเดรัชานทั้งนั้นเลยเนี่ยนะมันจะน่ากลัวขนาดไหนะคําว่าการเกิดเป็นเดรัชานมดตัวเล็กๆหน้าแหลงมันไม่มีน้ําดื่มอะ่ะคิดดู นะอย่างเช่นนะช่วงนี้ฝนมันแรงเนี่ยนะพวกมดพวกมแมลงทั้งหลายเนี่ยที่ไหนมีน้ำมันไปตอมกันหมดเลยเนี่ยนะมันไปรวมตัวกันเพื่อดื่มน้ำแล้วก็ตกลงไปในน้ำจมน้ำเป็นต้นนับตั้งแต่สัตว์เล็กๆจนถึงสัตว์โตๆที่มีความเดือดร้อนเนี่ยนะอย่างเดือดร้อนจนถึงหมูหมากาไก่เป็นต้นเดือดร้อนกันหมดถามว่าเราเอาเอาคุณธรรมอะไรว่าเราข้ามพ้นจากสิ่งเหล่านั้นแล้วศรัทธาเท่านั้นแหละที่จะเป็นตัว รับรองและรับประกันชนเหล่าอื่นไปสู่อบายทุกปฏิวินิบัตินรกเพราะชนเหล่านั้นไม่มีศรัทธาเราเป็นผู้มีศรัทธาที่จะข้ามพ้นจากอบายทุกปฏิวินิบัตนรกอันนี้เป็นการยื่นใบสมัครเพื่อปฏิบัติความเป็นเพื่อความเป็นพระโสราบันเนี่ยนะคือเรียกว่าโสดาปฏิยังฆ่าธรรมสัตธินรีเนี่ยนะสัตธินรียเห็นได้ที่ไหนโสดาปฏิยังค่าธรรมสี่ประการครบสัตบุรุษครบพระพุทธเจ้า วันหนึ่งชีวิตประจําวันเราคบพระพุทธเจ้าเท่าไร่ถ้าเทียบกับคบคนอื่นก็เทียบกับคบคนอื่นเลยนะก็บอกว่าอย่างที่ว่าพาระรยาสาวกจริงๆท่านคบพระพุทธเจ้ามากกว่าคนอื่นหม้อตกทะพีหักทะพีตกหม้อแตกท่านก็แนบะโมตสระพระคาวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะเนี่ยนะท่านนอบน้อมพระพุทธเจ้าได้เสมอเพราะใจของท่านมีพระัตนะตรายเป็นอารมณ์เนี่ยนะเป็นผู้ที่พักดีต่อ พรตะตนไตรคำว่าอรหังแปลว่าผู้ผ่าหังคือมีผ่าหังตสมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะมีผู้ที่พักดีจริงๆพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติคนพักดีต่อพระองค์จริงๆแม้แต่ยอมสละด้วยชีวิตเขาก็พักดีกับพระพุทธเจ้าตลอดไปเนี่ยนะเขาก็พักดีต่อพระพุทธเจ้าอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ตลอดไปเป็นผู้ที่พระอริยะทั้งหลายไม่ทอดทิ้งเลย ผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยะเจ้าทั้งหลายผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันไม่ทอดทิ้งพระพุทธเจ้าพระโสดาบันเป็นต้นก็ไม่ทอดทิ้งพระพุทธเจ้าเนี่ยเพราะศรัทธาของเขามีแับพระพุทธเจ้าอย่างมั่นคงและก็แน่นอนนั้นพระพุทธเจ้าแนะนําสิ่งใดเนี่ยมียุสูตรหนึ่งพระองค์บอกว่าพระอริยะสาวกของพระองค์เนี่ยนะที่เป็นสาวกของพระองค์พูดสำนวนไทยง่ายๆเลยก็ว่าใช้ให้เขาไปตายเขาเข้าไปถ้าพระพุทธเจ้าใช้นะ ให้ไปตายเขาก็จะไปให้ไปกระโดดกองไฟเขาก็ไปให้ไปโดนเหียวตายเขาก็ไปถ้าสิ่งนั้นเป็นพุทธพจน์เพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าบหันบอกบอกแต่ประโยชน์เราอย่างเดียวเขามั่นใจในพระพุทธเจ้าขนาดนั้นเนี่ยนะเขาเข้าใจในคําสอนของพระพุทธเจ้าเขาจึงเจริญในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้ามันสมัยก่อนนั้นพระพุทธศาสนาจึงเจริญแล้วก็รุ่งเรืองเพราะอะไรเพราะเขาใจของเขาเนี่ยมอบ ระม่อบความไว้วางใจอย่างเดียวคือพระพุทธเจ้าสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้คําหนึ่งเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยโดดเด่นเหมือนพระอาทิตย์ในยามกลางวันหรือยามเที่ยงวันทุกคนใช้แสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ทั้งหมดชั้นใดพุทธบริษัทสมัยพุทธกาลทั้งหลายก็ใช้แสงสว่างจากคําสอนของพระพุทธเจ้าชั้นนั้นหรือดวงจันทร์ยามค่ําคืนในสมัยที่ไม่มีไฟฟ้าเนี่ยนะเขาใช้แสงสว่างจากดวงจันทร์ ถ้า ส, ส่วนใหญ่ในายามค่ําคืนฉันใดอริยาสาวกสมัยนั้นก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าโดดเด่นในใจของเขาเช่นกับกลับอะไรนึกถึงดวงจันทร์นึกถึง น, นะดวงอาทิตย์ฉันนั้นเนี่ยนะเขาจึงมีความมั่นคงและเขาภักดีในพระพุทธเจ้าเขาจึงเจริญในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าแต่ในยุคสมัยใหม่เนี่ยนะก็เหมือนกับว่ายุคที่ไม่ค่อยเห็นจันทร์ไม่เห็นอาทิตย์ยุคปัจจุบันนี้จริงๆริงนะแทบไม่เห็นดวงจันทร์ไม่เห็นดวง อาทิตย์เลยเนี่ยนะก็เหมือนอะไรก็คิดเอาแล้วกันว่าชักไม่ค่อยเห็นจันทร์เห็นอาทิตย์แล้วฉันใดสมัยปัจจุบันก็ไม่ค่อยเห็นพระคุณของพระรัตนตรายแล้วก็ฉันนั้นถ้าไม่รู้คุณในพระตัตนตรายแล้วถามว่าชีวิตของเราปลอดภัยขนาดไหนเอาอะไรมารับรองว่าปลอดภัยเขามาบอกในความเชื่อของตัวเองบอกว่าไม่มีอะไรปลอดภัยหรอกเว้นไว้หนึ่งหลอกตัวเองสองถูกหลอกมีอยู่แค่นั้นนอะ ที่บอกว่าคุณปลอดภัยแล้วคุณปลอดภัยแล้วคุณโชคดีแล้วคุณมีบุญไงคุณก็พนน้นนะนะทั้งทั้งที่ไม่มีศรัทธาเนี่ยถูกหลอกแล้วละ่ะคนที่พูดอย่างนี้กําลังหลอกตัวเองบ้างถูกคนอื่นหลอกลวงบ้างกําลังถูกหลอก ล, ว ง, งก ล, อกลวงแล้วละ่ะเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งเขาไม่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าและเขาจะรู้ได้ยังไงว่าพระธรรมที่เขาสวากขาโตพระวตาธรรมโมเนี่ยนะเป็นอย่างไรเขาไม่รู้แม้กระทั่งพระพุทธเจ้ารู้ได้งไงว่านี้เป็นคําของ พระพุทธเจ้าแน่แท้นี้คือสาวกของพระพุทธเจ้าเพราะฉั้นพยายามที่จะว่าสมท า, านคุณธรรมครับสมัยก่อนท่านใช้คําว่าสมาทานศรัทธานะพะพระพุทองค์ใช้คําว่า ส, สุปปะพุทธกุตติที่ตายจากมนุษย์ไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยนะเพราะเขาสมท า, านศรัทธาศีล ส, สุตะจาระคปัญญาเนื่องจากว่า สุะพุทธะเนี่ยสมาทานเจริญศรัทธาของเราก็ต้องสมาทานที่จะเจริญศรัทธาเพราะสัตทินรีอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้หรือเพื่อพระนิพพานคนที่พักดีกับพระพุทธเจ้าทุ่มเทเพื่อพระพุทธเจ้าทุกอย่างยอมเคยเห็นว่าจมอยู่กับกองทุกข์บ้างไหมเห็นไหมสมมติว่าพระราชาผู้ทรงธรรม และเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมองหน้าปั๊บรู้หมดเลยเนี่ยนะคนที่พักดีต่อพระองค์จริงๆพระองค์จะปล่อยให้เดือดร้อนไหมท่คำบรรณานง่ายๆบอกไม่ฉันใดผู้ที่พักดีหรือมีศรัทธาอันมั่นคงต่อพระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นเหมือนกันเนี่ยนะเพราะการศึกษาและการปฏิบัตินั้นเบื้องต้นควรเจริญศรัทธาศรัทธาอันนั้นแหละคือสาระคมเนี่ยนะคือผู้ทางสรารังกัจฉามิ ธรรมมังสารนังคัจฉามิคือพระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยธรรมเนี่ยต้องยืนยันไว้เสมอว่าถ้าธรรมะเนี่ยโดยทั่วไปจะใช้ศัพท์เดียวก็ว่าธรรมะใช่ไหมก่อนหน้าคําว่าธรรมะมาจากอะไรสวากขาโตภควตาธรรมโมธรรมะเป็นศัพท์สุดท้ายนะใช่ไหมสวากขาโตภควตาธรรมโมแล้วต่อหลังจากธรรมะนัอะไร สันทิทิกวากาลิโกเอหิปัสิโกโอปัญญิโกปัด จ, จัดตังเวทิตาโพวินโยหิมั้นคําว่าธรรมะนี่แขวนไว้แทบเอ่อเรียกว่ากลางหน่อยเข้าไปแล้วใช่ไหมก่อนหน้าคําว่าธรรมะคือสวากขาโตภะวะตาธรรมโมแต่ภาษาไทยเนี่ยพูดข้างหลังมาข้างหน้าเราก็เลยไม่รู้ว่าใครเป็นใครอ่ะนะเราก็บอกว่าแขกพูดกับแขกเนี่ยคุยไม่รู้เรื่องพูดข้างหลังมาข้างหน้า ข อ, ของแขกอาจจะบอกว่าเฮ้ยคนนี้พูดนี้พูดไม่รู้เรื่องพูด ข, ข้างหลัง White, มาข้างหน้าเหมือนกันนะนะไม่รู้ใครกลับหน้ากลับหลังในระหว่างใครอย่างสมมุติว่าอย่างนี้สวากขาโตพระวตาธรรมโมถ้าพูดแบบแปลตามเนี้ก็บอกพระตรัสไว้ดีแล้วพระธรรมพระผู้มีพระภาคเจ้าถ้าแปลตามลําดับเนี่ยนะนั้นมาแปลแปลงมาเป็นอะไรนะเป็นลิ้นคนไทยก็บอกว่าพระธรรมพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วตรงกลางข้างหลัง oui, กลับมาข้างหน week, ้าเนี่ยนะมันกลายเป็นอย่างนี้ไปเนี่ยนะ